เพรภาษาเนี่ยนะเป็นทุกเป็นโรค ก, ก็ภาษาตรงไหนมันไม่เป็นที่ตั้งแห่งโรคนี่ไหมไม่มีแม้แต่นิดเดียวนะภาษาที่ที่เป็นโลกิยาณนะเป็นที่ตั้งแห่งโรคคือนะเพราะภาษาเป็นปจัจจัยแต่สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกคมสุขเวทนาถ้าทุกขเวทนาโดยมากเกิดร่วมกับโทสะตอนหลังก็โทสะถ้าสุขเวทนาก็โดยมากเกิดร่วมกับ โลภะถ้าเกิร่วมกับอุเบกขาเวทนาก็โดยมากแล้วเกิดร่วมกับโมหะก็ภาษะเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยแก่ราคะโทสะและโมหะยมชินได้คฟังบอกภาษาเร็วร้ายมากตอนฟังนะตอนฟังบอกว่าภาษะเร็วร้ายมากเลยเกินนั่ตรงไหนเนี่ยที่ทำตาเปรป๊บนั่นแหละตัว น, นั้นแหละเร็วร้ายมากนะกำนั่งทำตาเปรี๊บๆดูเหตัว น, นั้นแหละเร็วร้ายจริงๆเลยเนะ แต่ถ้าเราถ้าไม่ใช่อาศัยคําสอนเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งเลวร้ายมากเราก็จะบอกว่ามันดีดีดี ด, ดีอยู่ตลอดเลยนะอันพัสสะทุกทวารเลยนะเป็นโรคเป็นดังหัวฝีที่ตั้งหัวฝีนี่เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าฝีเนี่ยมันมันกลับน้องอย่างหนึ่งแล้วมันถ้าฝีมันแตกใครเคยเป็นฝีบ้างถ้าฝีมันแตกอะไรไหลออกมาพัสสะทุกพัสสะก็ฉับ น, นั้นเหมือนกันนํามาซึ่งฝี คือคือความเดือดร้อนจนได้ในภายหลังเป็นนางลูกศรเนี่ยนะภาษาทุกภาษาก็เสียแทงใจนะเช่นภาษาทุกภาษาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโศกะหมดเลยนะภาษาทุกภาษาเป็นที่ตั้งแห่งโศอ่ า, าเป็นที่ตั้งแห่ ง, แงความเสียใจพิไรรำพันภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกเป็นที่ตั้งแห่งความลําบากใจมากเช่นกําลังไปเห็นภาษาที่กําลังเลวร้ายในความคิดนะนะ เช่นความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเมื่อเมื่อวานนี้ก็ได้รับผัสสะอยู่ผัสสะหนึ่งเรามีโยมคนหนึงนยนะถูกโกงจนหมดตัวเลยนะเป็นยยมที่ที่รู้จักกันพอสมควรเนี่นะแนบะถูกโกงจนต้องลาออกจากราชกรารต้องไปอยู่ที่อื่นเลยนะจนต้องระเห็ดระหีะเร่อยร่อนไปเงนะินเราฟังแล้วบอกคงวตาตากทำไมมันขนาดนี้นาะว่างั้นก็ ตออย่างนี้แหละภาษาแต่ถ้าพวบทั่ๆไปแล้วถือว่าเป็นภาษาที่เลวร้ายใช่ไหมบอกว่าโอ้เนี่ยเพราะเพราะได้ยินเสียงอันนั้นเราก็เลยบอกโอ้เนี่ยภาษาแต่ถ้าภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความดีเราก็จะบอกไม่มีอะไรแต่ถ้าภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจนั้นเราก็จะแทบแทบจะบ่นเพ้อรำพันแต่ให้เชื่อแต่ว่าภาษาทุกภาษามีค่าเหมือนกันภาษาที่ดีจะเป็นที่ตั้งแห่งเสียในวันหลัง เพราะภาษาทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละเป็นโรคเป็นดังโง่ฝีเป็นดังลูกสอนนามาซึ่งความเสียดแทงใจทั้งหมดเลยนะนํามาซึ่งความเศร้าโศกทั้งหมดแล้วก็เป็นที่ตั้งเอเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้แล้วก็ไม่มีใครมีอํานาจที่แท้จริงในภาษะเกิดมาชาตินี้นะฉันจะต้องดูแต่ภาพที่งามๆเท่านั้นฉันจะขอภาษาที่งามอย่างเดียวฉันจะขอภาษาแต่เสียงที่เพราะอย่างเดียว ฉันจะขอภาษาที่กลินหอมอย่างเดียวรสอะไรอย่างเดียวรับจากโภตาภาพที่ดีไม่รู้จักปวดไม่รู้จักเมื่อยไม่รู้จักปวดไม่รู้จักอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวฉันจะคิดแต่เรื่องที่ดีๆคาดเอาภาษะอย่างนี้ได้ไหมในชีวิตจริงไม่ได้เพราะภาษะมันเป็นมันเป็นของไม่ใช่ตนนะนะเมื่อมัเพราะทุกอย่างเหล่านี้มันเป็นไปตามปัจจัยใช่ไหมดังที่กล่าวไปว่าจากักรปูสัมผัสมันอาศัยปัจจัยหลัก ส ำ, สำคัญสำคัญคือตาสีรูปจากขูวิญญาณขณะเดียวกันมันอาศัยกรรมในอดีตด้วยนะเพราะว่าภาษาที่เกิดร่วมกับจากขูวิญญาณนี้เป็นชาติที่แบบว่าอาศัยกรรมอย่างภาษาทางหู ว, ว่าอาศัยหูอาศัยเสียงอาศัยโสตวิญญาณแล้วก็อาศัยกรรมในอดีตนะภาษาอนี้จึงจะเกิดขึ้นโสตสัมผัสที่ได้ยินเสียงเหล่านี้จึงเกิดขึ้นทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็เหมือนกัน ถ้าเรามาไขครวนแบบนี้บ่อยๆจะรู้ว่าเรานี่อาศัยอยู่กับสิ่งที่เปราะบางที่สุดภาษาธรรมะเขาเรียกว่าปริตตาธรรมะทำเล็กน้อยเนี่ยนะมันปริตตะจริงๆมันเป็นของเล็กเป็นของน้อยแต่ไอของเล็กของน้อยเราไปสําคัญว่ามันยั่งยืนมันแน่นอนเหมือนอย่างว่าเราเห็นตึกใหญ่ๆโตๆสูงๆเนี่ยนะอาศัยอะไรมาเกาะตัวกันขึ้นอาศัยเม็ดทรายเล็กๆ เ, กเกม็ดปูนเล็กๆ นนะปูเนี่ยนะเม็ดปูนทรายอิฐหินเล็ก ๆ, ๆน้อยๆมาผสม ก, ก่อตัวกันขึ้นมองเห็นเหมือนมันยั่งยืนแต่ธาตุแท้จริงๆของมันแล้วก็คืออาศัยเม็ดทรายเล็กๆแล้วก่อตัวอยู่แต่ไอ้นิจาสัญญานิปรารของเราก็บอกว่าโอ้ยนอนจีรังยั่งยืนมัน ม, น ม, นมนนั่นคงมันถาวรเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วมีไหมที่เป็นอย่างที่เราสําคัญไม่มีจริงสักอย่างเดียวอันตึกใหญ่ๆนี่อาศัยเม็ดทรายก่อตัวกันขึ้น สังขารทั้งหลายของเราก็อาศัยอะไรต่อตัวกันขึ้นอาศัยมหาพูดก็ถือว่าเป็นปริจตธรรมยิ่งภาษาที่อาศัยตามทาวารต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นปริจตธรรมเป็นของเล็กของน้อยของนิดของหน่อยของว่างของเปล่าของศูนย์อยู่ทั้งนั้นแหละนะซึ่งผู้ที่ไม่ได้ฟังอริยสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หวังเพิดเพลินต้องการหูหาในภาษะอันเล็กน้อยเหล่านี้ พราให้ข้าว่าภาษะเหล่านี้จะตีจริงดีจริงมีไหมก็มีแต่ความไม่เที่ยงเท่านั้นแหละถ้าเรายิ่งวิจัยยิ่งเลือกเซ้นไปเท่าไหร่ก็จะเห็นแต่ความไม่เที่ยงถ้าผู้ใดกําหนดรู้ภาษะผู้นั้นจะกําหนดรู้เวทนาเพราะภาษาเป็นปัจจัยแห่งเวทนาบางสูตรนี้ปรองษ์ตรเลยว่าเหมือนอย่างว่าแม่โคที่ถูกปอกหนังเคย ป, ปอกมะม่วงไหม อนนี้บอกโคแหะแม่โคนะไม่เอาโคที่โคงนนะังไม่เอาเอาแม่โคซึ่งเป็นถือว่าเป็นสัตว์ที่บอกบางที่สุดเนี่ยนะบอกบางที่สุดถ้าถูกปอกหนังทั้งหมดแล้วถ้าไปยืนอยู่ในน้ําสัตว์ในน้ําก็แท้เนี่ยนะก็มาเคยเป็นแผลในตามตัวแล้วลงไปในน้ําเนี่ยพักเดียวนะ้แมงมากัดจะขึ้นมาอีกก็ก็ถูกกัดอีกอันนี้ก็แต่ว่ามันไม่ถึงกับขนาดว่าแบบถึงกับถูกปอกนะแต่เป็นแผลบางส่วนแล้วลงไปในน้าสัตว์ในน้ํำกัดจริงๆ ถามว่าจะเป็นแผลทั้งตัวและจุ่มลงไปในน้ำไม่สงสายโอยอาหารนั่นโอชามาแล้วนะแมงก็มาปาดมามาตอตอดกัดกัดแผลแท่ๆนั้นหมดตัวเลยเนะถามว่าถ้าเป็นแผลเนี่ยนะคนหนังกอกเนี่ยถ้าขึ้นอยู่ขึ้นอยู่เนี่ยแมลงวีเป็นต้นเนี่ยนะถ้าแมลงวีนี่แค่ําคานใช่ไหมแต่มันก็กัดกินอีกอยู่ดีแมลงวีเนี่ยมันมาเกาะแล้วมันกัดนะแต่มันกัดปริมาณเล็กน้อยมากแต่ถ้าปล่อยให้มันกัดนานๆวัวแบงกันนะ นี่มันมีใหญ่กว่าแมลงวีคือแมลงวันถ้าใหญ่กว่านั้นเนี่ยนะเช่นสุนัขต้องไม่ตามแท้เลยนะถ้าเห็นชิ้นเนื้อเดินได้เนี่ยนะสุนัวิ่งตามแค้เลยแหละเชืเอ่ออเพราะองบอกว่าเหมือนอย่างว่าแม่โคหนังตอกฉันไหนเธอเพิ่งพิจารณาเห็นภาษาอ่านฉันนั้นภาษาในทุกทวารทุกทวารเนี่ยนะเป็นประดุจแม่โคหนังตอกจริงๆมันเบาบางมื่อ แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาบ้างเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาบ้างเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาบ้างเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านนัจะได้รับพรรษาอะไรขึ้นมาเนี่ยนะจะยินมากหรือจะหุบมากหุบมาก็เจอพรรษาที่เรียกว่าถูกแทกลับมาอีกแล้วนะจะเจอพรรษาเท่าเดี๋ยวไปตรวจงานเนี่เดี๋ยวจะเห็นแล้วพรรษาที่เป็นทุกขเวทนาก็จะพรรษะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาก็เรื่อยเรื่อยืยยนะ เอิมกำลังทำมาดีๆจะทําใจให้เป็นบุญสักวันหนึ่งเพ้ออะไรเนี่ยก็ไปโทษไอ้คนอื่นว่าไม่ไดีนะที่จริงเราต้องโทษภาษาเนี่แหละถ้าไม่มีภาษาเนี่ยนะเวทนาพวกนี้จะเกิดไหมจะเสียใจอย่างนี้ไหมนั้นภาษาเหล่านี้เนี่ยนะโดยเฉพาะภาษาเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อความยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตา ข, ของเราเนี่ยจงละเสียื่อเนี่ยนะให้มันพิจารณาภาษะเหล่านี้ว่า จากผูสัมผัสก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือเนอที่จะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตราของเราการคิดอย่างนี้ดีไหมดีควรจะคิดวันละกี่ครั้งตลอดเลยนะตี พ, พูดเองนะ <c oughs> ควรคิดให้มากคิดให้บ่อยใช่ไหมก็ดีแล้วก็เอาวันละกี่ครั้งได้ก็ดี แต่ไม่ใช่ว่าเจ็ดวันหนึ่งครั้งอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีนะก็ควรจะอย่างน้อยก็วันละสามรอบก็ยังดีใช่ไหมแต่จริงๆควรเพิ่มปริมาณบ่อยๆจนลืมตามเมื่อไหร่บอกว่าจะไปเชื่อภาษาตัวนี้นะเพราะว่าภาษาเหล่านี้เป็นที่เป็นตัวที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นนังหัวฝีเป็นนางลูกสอนเป็นความลำบาเอามาพิจารณาบ่อยๆเนี่ยนะท่านแม้กระทั่งรับภาษาที่เป็นอิทธารมสภาวะที่น่าปรารถนาสักพันใดก็ตามพิจารณาเธอะ ถ้าพิจารณาในอารมณ์ที่ปรารถนาได้นะอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาะพิจารณาไม่ยากนะเพราะว่าไอการตัดฉั้นราคะมุ่งตัดในสิ่งที่น่าปรารถนาะถ้าพิจารณาในสิ่งที่น่าปรารถนาได้นะสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่ใช่ปัญหาพิจารณาไม่ยากสักเท่าไหร่ทันท่าใครที่พิจารณาภาษาได้ทุกทวาจรจริงๆเนี่ยนะเพราะภาษาเนี่ยมันเป็นความประชุมใช่ไหมเช่นถ้าพิจารณากายสัมผัสได้คนนั้นต้องพิจารณาตาย พิจารณาโผพธะพิจารณากายวิญญาณจึงจะเข้าใจภาษะเป็นอย่างดีเพราะภาษาเนี่ยถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งในสามตการแล้วภาษะมีไม่ได้ถ้าสามอย่างประชุมกันภาษะจึงจะมีภาษาเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีปัญหาตัญหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมี สารา ม, มรณะสวกาปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขั้งมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้แล้ น, นถ้าใครที่พูดภาษาธรรมะง่ายๆก็คือบอกภาษะทุกภาษาของคุณเนี่ยสร้างวัตาะหมดเลยเราสร้างวัตะ ม, มาชาบนี้กี่ครั้งแล้วโโ ห, หาประมาณไม่ได้ใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่จะออกได้อะไปภาษานิพพานนั่นแหละเงกันเลิก ทะเลรับภาษานิพานเมื่อไหร่นะดับวะตาได้เลยแต่ถ้าพูดเหตุผลธรรมนานะภาษาที่เรากระทบมานะเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะหมดเลยเพราะฉะนั้นก็วะตาเนี่จริงๆเราอยู่มานานพอๆกันนะอย่าไปคิดว่าใครมากกว่าใครนะนะ้นําตาเท่าทะเลเหมือนกันหมดกระดูกเหมือนภูเขาเหล่ากาไปหมดนะนะแต่ชาตินี้อาจจะอายุมากอายุน้อยอยีกเรื่องหนึ่ง น, นะแต่วะตาอยู่มานานพอๆกันนะกนะ็ะไม่มีใครก่อนไม่มีใครหลังในชะ่ไหมก็ ป่าตาก็อยู่นานเนี่ยนะสวัสดีท่านผู้เดินทางไปทั้งหลา ย, ย <c oughs> มาไกลมากเลยนะนี่ก็จะไปทางไกลสวัสดีท่านเพราะทุกทุกภาษาเนี่ยมันคือการต้นตอแห่งการเดินทางไกลอะทุกภาษาทุกภาษะคือต้นตอแห่งการเดินทางไกลอันถ้าเอาภาษาเหล่านี้มาไถ่ครวญบ่อยๆเนี่ยนะโดยเฉพาะถ้าใครพิจรารณาเช่นรับประทานอาหารตัวเนี่ยเนี่ย <c oughs> มีความรู้สึกว่าโคหนังตอกะไหมถ้ารับประทานอาหารที่ตัวเองชอบนะแตะปลายลิ้นปั๊บเนี่ยะได้เช่นของหวานชื่นใจเยลยนะแต่อ يس รีมที่ปลายลิ้นปั๊บเนี่ยแม่โคหนังตอกเะเลยนะมันมันไม่ปาะกันเนี่ยไอสครีมไอสครีมไปดูภาพที่ชอบมากบอกเออนี่แม่โคหนังปเปาะแม่ไหมเมื่อไหร่น้อจะคิดอย่างนี้บา้างจะคิดอย่างนี้ได้พ้นทุกแม่นะเชื่อวัดตะนี่ จะไม่อยู่เย็นเป็นสุขแล้วนะจะออกอย่างเดียวมา้งั่นเนะองก็ใครที่มองว่าวตัตตาอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยคนนั้นจะมีอะไรนอกจากวิปปลาชก็เหมือนบอกบ้านเมืองมีสงครามระเบิดตูมตามเต็มไปหมดเลยแล้วบอกแหมส่สบายว่าันเกิดอะไรขึ้นกับชาวคนนี่นะวะตัตตาก็เหมือนกันที่เต็มไปด้วยชาติชารามารณะโศกรปริเพวทุกตะโอมนัสและอุปายาพรา อ, อูยูวตัตตาก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรจะมีอะไรนอกจากความวิปปลากคลาดเค ล, ลื่อนจากความที่เป็นจริง เพราะวัตถะที่เป็นสุขจริงๆเนี่ยมีสักเท่าไหร่เลยหลายๆคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยเห็นชัดเลยอีกพักหนึ่ ง, เ, งเดี๋ยวก็ป่วย แ, แล้วเนี่ยอย่างที่อะไรเดี๋ยก็เอ้ยกระสอบกระแทกแล้วเง้ยนะเห็นทําเป็นยิ้มนั่งอย่างนี้เถอเดี๋ยวกลับไปก็ป่วยแล้วอย่างเี้ยไม่แน่อาจจะไม่ป่วยก็ได้นะแต่ว่าแปลงอย่างนี้จริงๆงก็ดูเหมือนสดใสเหมือนราบรื่นเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเอาแล้วเล่นกับสังขารเนี่ยเชื่ออเชื่อได้ที่ไหนสังขารทั้งหลาย อีกพักหนึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสอีกพักหนึ่งโอหอันนี้ไม่ได้พิวรายนะทุกคนนั่นแหละอีกพักหนึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสอีกพักหนึ่งเคลิบกลัมาแล้วอะไรเงีอีกพักหนึ่งเนี่ยนะฮกํามหนึง่งอะไรแคเห็นยังไงพ่อผัสสะใช่ไหมผัสสะเป็นปัจจัยแห่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแหง่งปัญหาเมื่อใดเนาะจะมองว่าภัสสะเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นนังหัวฝีเป็นนังลูกศ้อนเป็นความลําบาก เป็นความเจ็บไข้เป็นดางผู้อื่นเป็นของพิชัยตนเป็นของว่างเป็นของเปล่าวเป็นของศูนย์เป็นของเล็กเป็นของน้อยเป็นต้นจนพิจารณาว่าภาษาทุกภาษาเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาเป็นตัจใจแห่งวัตทุกทั้งมวลทุกภาษะคือการสร้างวัตถนี่ยนะเกจนกว่าจะเห็นอย่างนั้นได้เพราะภาษาเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะก็คือภาษะทุกภาษาเป็นที่ตั้งแห่ง นอที่จะสําคัญหมายแบบนี้จริงๆถ้าสําคัญหมายแบบนี้จริงก็พ้นทุกได้ใครที่สําคัญหมายอย่างนี้ได้มากเรียกว่าสัพพะโลเปยนตะิรตัสัญญาเพราะมองเห็นเลยว่าภาษะทุกภาษะเป็นที่ตั้งแห่งวัตตะทุกภาษะคือการสร้างวตัตตเนี่ยนะทุกภาษาคือการสร้างวัตตะทาไมยังไม่สร้างวัตตะเนะมื่อมู้ภาษาใดเกิดขึ้นตามมาด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมไหมตามอย่างน้อยที่สุดก็ตามมาด้วย มโนกรรมอย่างน้อยนะจริงๆมโนกรรมเนี่ยท่านบอกว่าสร้างเลยมากที่สุดไปอย่างอื่นตามมาด้วยวจีกรรมตามมาด้วยกายกรรมกรรมมีผลหรือไม่มีผลมีผลกรรมมัสโกมหิกรรมมัธยาโทกรมมายนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนแสดงว่าทุกภาษาที่เรารับกระทบมาเราไปทํากรรมมาเต็มแล้วทั้งบางครั้งก็เป็นกายกรรมบ้างบางครั้งก็วิจีกรรมบ้างบางครั้งก็มโนกรรมบ้างเขาบอกแค่เข้าเห็นนะเขายังไม่ได้พูดอะไรสักคำ อธิบายได้ยาวขนาดนี้ไม่ต้องห่วงหรอกถ้ามีข้อแก้ตัวเยอะขนาดนี้นะโหมากเลยละเชื่อเหรอเพราะว่าคนบริสุทธิ์จริงๆถ้าไม่มีข้อแก้ตัวเลยใช่ไหมแต่ข้อแก้ตัวมากขนาดนี้แสดงว่าคมไม่ธรรมดาแ ล, ะละ้วล่ะเชื่อไหมคนไม่ผิดไม่ค่อยมีคําแก้ตัวแต่คนผิดมาอธิบายได้ทุกเรื่อง